10. ไม่พึงตำหนิภิกษุผู้ทากรรม 11. ไม่พึงงดอุโบสถแก่ปกัตตะภิกษุ 12. ไม่พึงงดปวารณาแก่ปกัตตะภิกษุ 13. ไม่พึงทำการไต่สวน 14. ไม่พึงเริ่มอนุวาธาธิกร 15. ไม่พึงขอโอกาสภิกษุอื่น 16. ไม่พึงโจดภิกษุอื่น 17. ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การ 18. ไม่พึงชักชวนกันก่อความทะเลาะ 19. ไม่พึงเดินนําหน้าปะกตาตะภิกษุยีสไม่พึงนั่งข้างหน้าปะกตาตะภิกษุ21พึงพอใจอาสนะสุดท้ายที่นอนสุดท้าย วิหารสุดท้ายของสงฆ์ที่จะให้ภิกษุผู้อยู่ปริวาสนั้น 22. ไม่พึงมีปกตตะภิกษุเป็นปุเรสมนะณะหรือเป็นปัจฉาสมะณะเข้าตะกูล 23. ไม่พึงสมาทานอารัญญิกังคทุดง 24. ไม่พึงสมาทานปินดาปาติกังคทุดง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 พึงบอกในวันปวารณา 30. ถ้าอาพาธพึงส่งทูตให้ไปบอก 31. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปัจจกตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 32. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ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 ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาดซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตะตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 35. ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดที่มีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาดที่ไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตะตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 36. ไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาตที่มีภิกษุไป ส, สู่อาวาตหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาตซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปัจัตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 37. ไม่พึงออกจากอาวาตหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาตที่มีภิกษุไปสู่อาวาตที่ไม่มีภิกษุ เว้นแต่ไปกับประกระตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 38. ไม่พึงออกจากอาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดที่มีพิกษุไปสู่สถานที่ไม่ใช่อาวาดที่ไม่มีพิกษุเว้นแต่ไปกับประกระตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 39. ไม่พึงออกจากอาวาส หรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดซึ่งมีภิกษุไปสู่อาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดซึ่งไม่มีภิกษุเว้นแต่ไปกับปกตัตตภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 40.— ไม่พึงออกจากอาวาดที่มีภิกษุไปสู่อาวาดที่มีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วย เว้นแต่ไปกับปักกตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย41ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่ที่ไม่ใช่อาวาสที่มีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปักกตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 42. ไม่พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วย <mel od ic> เว้นแต่ไปกับปกตจตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย <mel od ic> 43ไม่พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาสมีภิกษุไปสู่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วย เว้นแต่ไปกับปักกาตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย44ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่สถานที่ที่มิใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปักกาตะภิกษุเว้นแต่มีอันตรายสี่สิบห้า ไม่พึงออกจากสถานที่มิใช่อาวาตมีภิกษุไปสู่อาวาตหรือสถานที่มิใช่อาวาตมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาดอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย 46. ไม่พึงออกจากอาวามหรือสถานที่มิใช่อาวาตที่มีภิกษุ ไปสู่อาวาสที่มีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกจตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย47ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาสอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปกตตะภิกษุ เว้นแต่มีอันตราย48ไม่พึงออกจากอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสที่มีภิกษุไปสู่อาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นนานาสังวาดอยู่ด้วยเว้นแต่ไปกับปะกตตะภิกษุเว้นแต่มีอันตราย49พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปอาวาสที่มีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมานสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ได้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นนั่นแหละหาสิบพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุไปสู่สถานที่มิใช่อาวาสมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมานสังวาสอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ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 พึงออกจากสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่อววาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุซึ่งมีภิกษุเป็นสมาสังวาดอยู่ด้วยถ้ารู้ว่าเราสามารถไปถึงในวันนั้นแหละ55หพึงออกจากอาวาดหรือสถานที่ไม่ใช่อาวาดมีภิกษุไปสู่อาวาดที่มีภิกษุ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 ไม่พึงอยู่ในอาวาสที่มุงบังเดียวกันกับปกระทตะภิกษุห9สิบไม่พึงอยู่ในสถานที่มิใช่อาวาสที่มุงบังเดียวกัน60ไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือในสถานที่มิใช่อาวาสที่มุงบังเดียวกันหกเห็นปกตะทตะภิกษุแล้วพึงลุกจากอาสนะ62 พึงนิมนต์ปักขตตะภิกษุให้นั่ง63ไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับปกักขตตะภิกษุ 64. เมื่อปกักขตตะภิกษุนั่งบนอาสนะตำ่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสง65เมื่อปกักขตตะภิกษุนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ66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 ไม่พึงอยู่ในอาวาสที่มุงบังเดียวกันกับภิกษุผู้อยู่ปริวาทที่มีพรรษาแก่กว่ากับภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมกับภิกษุผู้ควรแก่มานัทกับภิกษุผู้ควรแก่อับพานไม่พึงอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่อาวาสที่มุงบังเดียวกัน กับภิกษุผู้ควรแก่อภานไม่พึงอยู่ในอาวาสหรือสถานที่มิใช่อาวาสที่มุงบังเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อภานไม่พึงนั่งบนอาสนะเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อภัาส90เมื่อภิกษุผู้ควรแก่อภานนั่งบนอาสนะต่ำไม่พึงนั่งบนอาสนะสูง เ1 91. เมื่อภิกษุผู้ควรแก่อัภานนั่งบนพื้นดินไม่พึงนั่งบนอาสนะ92ไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมเดียวกันกับภิกษุผู้ควรแก่อภาน93าเมื่อภิกษุผู้ควรแก่อัภานเดินจงกรมอยู่ในที่จงกรมต่ำไม่พึงเดินจงกรมในที่จงกรมสูง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 กรรมนั้นไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทาวัด94ข้อของภิกษุผู้อยู่ปริวาทจบ